มันนี่จะเทศทึ้นเรื่องควงมนดีพอใจในเรื่องวิสัยของมานใครๆจะรู้จักทุกคนแล้วว่ารู้จักชื่อของมานแต่ยังไม่รู้จักตัวมานพระพุทธเจ้าท่าเทศดาว่า มาละสายชเยละตาความดีในวุสีสใสของมารฉันว่าอย่างนั้นคำว่ามารในที่นี้หมายถึงความอุปสรรคขัดความทุกสิ่งทุกประการเรียกประมาณได้ยกั น, น, น, นทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่พระวาชาทำการทำงานในทั่วไปหมด ข่าวว่าคัดคลองต่างๆอย่างลูกเป็นหลานแม่เกี่ยวข้องพกพันในการที่จะพ่อแม่จะทํางานอะไรต่างๆเขาก็บอกว่ามันเป็นมานีน่ไอ้ น, นเป็นรถทํางานในแรงพงมดทุกสิ่งทุกการจิตการงานในอาชีพทุกประการมันต้องมีมานทั้งนั้น สิ่งที่คัดฟัาเรียกว่ามามาในทางพุทธศาสดรพุทาพุทธเจ้ารวบรวงไว้มีห้าอย่างคือกิเลสสามานึงขัธนธ์ามานึงกิเลสสามานึงแทพบุตรสมานอาิมย์จิามานึงอาทิสังขารสามานึงมีสี่อย่าง มีห้าอย่างคันท้ามาไปเลยแต่ตัวของเรานี่แหละเราไปพูดแต่ว่าแต่สิ่งอื่นเป็นมารตัวของเราไม่รู้ตัวเป็นมารมันเป็นมานี่ในตัวคันห้าคือลูกเวทนาสัญญาแสงข า, น, านียารวมมด ในตัวของเรานี้ยทั้งนั้นไม่มีที่อื่นขันธมาลนะนคือว่าท่านพูดเป็นกองแต่และอย่างในอย่างี้เป็นกองเป็นกลุ่มเป็นกอนเรียกขันธ์อย่างกายของเรามีท่าสีน้ำไปลงก็จริงแหละแต่มันรวมเป็นอวิยว่าทุกทินทุกส่วน มีหน้าที่ตำแหน่งทุกอย่างปากสำหรับพูดหูสำหรับฟังตาสำหรับดูจมูกสำหรับสูดกลิ่นนั้นหน้าที่ของมันอย่งนั้นแต่ว่าหน้าที่ของมันแต่ละ อ, อย่างนั้นมันทำ้ามที่ของมันแล้วแต่มันเป็นมารของเราเป็นมาริตใจของเราเราคืออะไร เราได้เห็บใจใจนันคือตัวเราแท้อันนี้เป็นเรื่องเครื่องอัตสายคำว่ามานะั่นคือมันเบียเดเบียนใจของเราเองจะเดิบจะเหินจะไปจะมาลุกนั่งทุกประการแก่เท่าชรามาแล้วสมรู้สุรงไปไม่ความแคบมันยังหนุน่มยังแน่นแบเป็นเหมือนกันเวลาเจ็บป่วยไม่สบาย นาเรียกว่ามารเรียกว่าขันธ์มารคือรูปกายทัางนักลีนสําหรับปากของเราทําหนักฟันของเราทั้งนักที่จะเคี่ยวอาหา ร, หรทั้งนัที่รับรสชาติบมันขามันขามันจะเจ็บปันมัข้ขามันขามันก็เจ็บลีนนั่นเป็นเหตุมาให้เคี่ยวได รับไมรับมาให้รับลดชาติได้เป็นมาทท้งนั้นของมันนั้นใจใจนั้นมันมีอะไรหใจไม่มีรีดมันมีฟันมันมีหัวมีตาใจนั้นของมันมีอะไรทั้งหมดมันได้เป็นรูปเวทนาอะไรคะนี ความสุขความทุกข์ไม่อุเปถาก็เป็นมานเหมือนกันเป็นมานทั้งใจเหมือนกันสุขทุกข์ก็เกิดจากกายนี่แหละทุกข์ก็ดีสุขก็เกิดจะกายนี่แหละถ้ากายอยู่ดีสบายเกิดว่าสุขเนี่ยถ้ากายไม่อยู่ดีสบายต่อเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์นั้นก่อน มันเป็นเครื่องเบียดเบียนของใจไม่สงบนิ่งอยู่ไหนเราเรียกว่าเวทนาเป็นมานของใจกัญญาเป็นมานของใจอีกความจดจำอดีตล่วงลับมาแล้วน้อมนานลืมไปแล้ว เวลามันเราลึกคิดได้จำได้ของเก่านะมันทำให้เจ็บปวดเล่าในใจของที่ยินดีพอใจมันกิดเอาของเก่าออกมาคิดมาเนื้อครบตุงมาแต่งเพิดเพินสนุกสนานมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปัญญานั้นก็ดีเกิดเกิดที่ใจแห่งเดียว มาส์มาลบกว่ใจอย่างเดียวไม่อยู่นิ่งนอนได้ไม่อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่ได้ชังขานความปรุงแต่งนิ่งร้ายกายปรุงแต่งคิดนึกสารพัดทุกสิก่งทุกประการคิดในนอนของใหญ่ของโตก็ปรุงอยู่นะเนี่ะ น, นอนหลับต้อไปยังฝันไปปรุงแต่งไป คิดนึกไปในความเก่าสัญญาของเก่านะมันปลุง ม, มันแต่งปรุงความสัญญาของเก่าเป็นเหตุให้ใจสงบใใจนิ่งนอนนะได้ให้ใจนิ่งอยู่ได้วิญญาณคือความรู้สึกคือในใจความรู้สึก ครั้งแรกในการที่ได้เห็นก็นดีในการที่ได้ฟังก็ดีเห็นรูปครั้งแรกนั่นแหละรู้สึกขึ้นมาในใจเพียงว่ารูปเท่า น, นั้นน่ะหายไปหมดได้ยินก็เพียงว่าได้ยินเสียงเท่านั้นหายไปหมดนั้นเรียกว่าสัญญาให้เรียกวิวญญาณ การที่เห็นรูปจำรูปคู่รูปคนรูปศัสนารลสิ่งไหนมันเป็นสัญญาไปแล้วปรุงแต่งย่าให้ดีให้ชอบในวิเศษวิษสุทธิ์มันเต็มทังขาไปนด้ยินเขียงก็เหมือนกันได้ยินเสียงครั้งแรกอะเนะ่เรียกวกินญานถ้าเมื่อได้ยินเสียงแล้วเป็นนันนั้นนั่นเสียงนี้เป็นนี้นั่นสัญญาเก่า เก่าขึ้นรุงแจงอยให้เกิดในนิสขึ้น่าให้เป็นอย่างนิ้วหนี้อะไรต่างๆนั่นก็นนนน เ, เลยเป็นตั้งฐานอย่างนั้นเรียกว่าวิน ญ, ญาณในขันหะวิน ญ, ญาณในที่ปฏิสนธิยิญญาณนั้นคือตัวจิตแท้ียกว่าจิตเดิมที่ปฏิสนธิยิญญาณ อั น, นเรียกว่าขันธมามันรบกวนไม่ให้ผิดสงบนิ่งได้ทุกคนมีอยู่ในตัวของหมดไม่ใช่คนอื่นเป็นมาตัวของเราเป็นมาเราเองขันธมาที่เลสมาเนี่ยนะโอ้ยง่ายโตก็เกิดจากนั้นแล้ว ความตึม ง, ง, ง ค, ค, ความแจงควาคิดเขาเรีนกอะไรเนี่ยความแต่งคิดนึกสัตพัดทุกอย่างไปเกิด ค, ความเศร้าเสียใจแล้วเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเกิด ค, ความรักความชังเกิด ค, ความยินดีอย่างไรนสนุกเพลิดเพลิ น, นอะต่างๆสัตวพัดทุกอย่างมันเกิดกิเลสิเลเรียวกิเดลสมานก็อันเดียวกัวนนะั่นแหละ มาที่สังขามานอาที่สังขารมานมานคือความอยากเป็นใหญ่เป็นตัวอยากยิ่งวิเศษวิโสขึ้นไปมันจิตใจของเรมันไม่อยู่นิ่งได้อธิบายอย่างอาธิบายมาแล้วดีท่านนี้แต่ยังไม่อยากดียังอยากหลายท่านนี้อยากยิ่งขึ้นไปว่านี้อีกปรงแต่งครัเป็นเทพบุเรได้ไปดี่ไปตงไปโน้น แต่เทวดาอินผมก็ไม่เคยเห็น ท, ทักทีเธอตุ้มแส่งคนนู้นไม่ทราบเป็นไงฉันอินทร์เนี้ยผมเทวดาเทวดาเ ป, ป็นยงไงตุง้มแส่งคนแล้วนั่นเป็นอภิสังขารมามมัจจุหมานคือความตาย ใครๆก็อยากไม่อยากตายสักคนเดียวแต่มันตายแล้วบรรดากึกข้างหน้าตัดหลอนทีให้หมดขาดชิดไปมันเรียกว่ามัจจุมาแท้ที่จริงจิต้็ไม่ตายแต่ร่างขายร่างกายมันแตกสรายแต่จิตนั้นก็ไม่อยากตายเหมือนกันนะ เห็นร่างกายแฉดตาพอเป็นของมันจิตอันนั้นเห็นร่างกายสังฐานนั่นของตัวเว่าเป็นของตัวก็เลยไม่อย่างให้จิดแตกให้ดับจะคิดแท้แล้วมันมีอะไรหรอกไม่มีแตกมีดับเป็นอย่างว่าเขาชิ่มเขาแทงก็ดีเอาไฟเผาก็ดี มันก็ไม่รู้สึกเกจ็บจะปวดน่ะใจนะไอเผาเผาในร่างกายต่าค่ะเขาทิ้งเขาแทงแลมีในร่างกายนี่ตั้งหากรูปฟังว่เตัร่างกายากขาข น, นี่ต่างาานหาง น, นั่นนี่อย่างหลวงมัจจุมาเทียบทามานั่น <c oughs> เป็นมารของพระพุทธเจ้าต่างหาที่พระสจนพระองค์ ในเมื่อจะตัดสรุมาลบพระพุทธเจา้าแย่งบัลลังก์พระองค์เทวบุตรทาไม่ต้องเป็นมารเทวบุตรก็เป็นมารด้วยดืวยใความข้อน่านมันยากที่จะพิจรารณา ในเรื่องอยู่ในกาม마ผจรมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีมันยังบบ ม, มีคนจากทิเลสเหมือนกันมีของโรคของโกรธของหลงยิ่เหมือนกันเหตนนั้นเทวบุตรมารนั่นก็อยู่ในสวรรค์สันโดษิตเหมือนกันก็ต้องมีต้กรธหลงเหมือนกันอันนี้เรื่องของเรื่องผูกพัน เรื่องอะไรทำดีไปไม่ให้ทำดีรู้ร่วงไปได้เรียกว่ามารให้น้องก็มาถึงตัวของเราเนี่ให้เห็นตัวของเราเนี่ยแหละอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นนะอย่างเปรียบคนอื่นโกกคนอื่นช่างคนอื่นแต่ว่าเขาหุ้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างาพูดหยาบคาย คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอันตัวเราไม่ดีอยู่แล้วมันยังค่อยไม่ดีอย่างนั้นเราโกรธเขาแล้วเราไม่ดีแล้วเรายังค่อยว่าเขาอันนั้นมันมันเป็นอุปสรรคของเราไม่ให้เราลุล่วมงความดีไปได้ั้นหาว่าเราไม่โกรธคนอื่นจะทําเท่าไหร่จะทาไปสุดทำไม่ได้ก็ทําไปถุดเร า, าสบาย เราไม่ต้องโกรธเขาความโกรธของเขาต่างหากเราจะไปจริงเอาความโกรธของเขามาเป็นของเราไปจริงเอาความไม่ดีของเขาเป็นความไม่ดีของเรามันก็เป็นมานของเราเลยสิพระพุทธเจ้าจ่านว่ายินดีพอใจในวิสัยของมานท่านว่านั้น ยินดียังไงเช่นผมโกรธย่างแหละโกรธมันเป็นมาแล้นนนะกกนะลวไปยินดีกับผมโกรธกันนั้น่ะพอใจในั่งโกรธอันนัอยากโกรธเขานั่นน่ะนั่นเลยได้ยินดีกับวิสัยข้ามาแล้วไม่พอใจไม่ยินดีกับเขาแล้วเลยโกรธเขาอันนี้เรื่องไอ้วิสยินดีกับไอ้วิสัยข้องหมาในฝัน นยางนี้อีกหลงเชื่อจิตของตนหลอกลวงอีกเลยค่ะนมันหลอกลวงให้เราอะเข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันจะดีถ้าโกรธคนนั้นคนนี้มันจะเอาชนะเขามันจะดีจะเด่นอันต้าหาก็ไม่โกรธเขากพรดูว่าโคตเรานี่ต่ำต้อยในหนา ไม่สามารถเจีโต้ต่อเขาได้โน่หนึ่งไปยินดีกับวิสัยไปยินดีจิตมันหลอกมันหลอกตัวของเราแล้วไม่เห็นตัวควมเศร้าหมองของเราอันนี้ก็เนื่องจากไม่เห็นจิตนั่นเองท่านท่าเห็นจิตแล้วไม่กล้าทําหรอก ถึงเห็นจิตแล้วยังไม่มีอุบายปยัญญาก็ไม่มีไม่สามารถที่จะระ ง, งับได้แต่ก็ยังดีอยู่เห็นเรื่องของจิตของเราที่จะรักษาไว้ได้ต้องอาศัยสติเป็นคนควบคุมผมจนกระทั่งทุกิริยาบทจื่อเนื่องน่นอน สติตัวนี้นรู้ตัวยึดเสมอสติสัมพัญญาสัมปัชญญารู้ตัวยึดตลอดเวลาถ้าสติควบคุมอยู่แล้วไม่ไม่สามารถที่จะยินดีกับอไอ้ไม่สามารถที่จะหลงตามวิจัยหลงตามอายาของจิตออกคือเห็นจิตของตน เรียกว่าเห็นจิตในการของคิดของนึกอันนี้อย่ากว่าจิตมันคิดมันนึกนรู้สึกอตลอดเวลาอยาเป็นยังไงไงก็รู้ตัวอยู่มีรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันนั่นแหะสามารถระงับงโกรธได ความโลภความหลงขอามหงุดหมันโกรธมันก็โลภหลงขึ้นมาแล้วแหละมันหลงมาก่อนมันก็โกรธมันหลงมาก่อนมันก็โลภมันโลภเป็นต้นฐาเป็นประธานเดียแล้วมันจะเกิดความโกรธแล้วก็เกิดความโลภถ้าสติตัวนี้เข้าไปคุมมันก็หมดโมหะคือความโลภไอ้โมหะคก็หลง สติรู้ตัวโยมมันก็ไม่เกิดขึ้นมาได้สติรู้ตัวโยม ง, งับของโกรธความโลบควาหลงได้หลังนี้ไม่ใช่เข้ามาถึงใจอีกของเราจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งอธิบาตมาอธิบายมากมาไปก็เสือเ่อมไปตรงนี้ จิตคือผูคิดผู้นึกมันนั่แหลเรียกว่าหลงหลงตามคุคิดคุณนึกคิดนึกรงสายปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างจิตตอนั้นเป็นคนเป็นคนแต่งคนปรุงคนแต่ ง, ค น, ตงคนนึกคนคิดถ้าจิตตอนั้นเข้าไปได้งับคือสติตอนั้นเข้าไปได้งับสติ เอาสติอันหนึ่งจิตนหนึ่งใจอันหนึ่งทั้งสามอย่างนี้แหละเกิดจากอันเดียวกันแต่มีลักษณะต่างกันจิตคือพกูกคิดคุณนึกกำังอธิบายมาแล้วสติคือรู้ตัวอยู่เสมอก็ เ, เกิดจากจิตนั่นแหละรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสั้งปั ญ, ญญาคือรู้ตัวสติระลึกคือควบคุม สติเป็นคนควบคุมธรรมชนจะยาคือความรู้ตัวกระจิตนั่นแหละเกิดจากจิตอันเดียวถ้าเมื่อควบคุมและรู้ตัวอยู่จนนั้นไม่คิดเหมนนึกจนปล่อยวางสละลงไปได้มันสละเองหรอเพิ่อนกันควบคุมกันนะมันสละเอง ไม่ต้องคิดว่าจะไปสละมันสละเองมันเองในตัวมันเองแล้วเนี่เข้ามาถึงใจคือความเยออยู่เฉยรู้ตัวอยู่เฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละตัวใจอันนั้นแนะ่ะตอนที่จะได้ความสุขลองรู้ขดเราถ้าไม่คิดไม่นึกชือเฉยมันจะได้สมสุขั้ย บางคนอาจจะไม่ได้สมสุขก็ได้ไม่คิดไม่เลือกไม่สุกงไม่แต่งไม่สบายคนที่ไม่เคยเป็นแล้วลืมตัวที่ว่าคิดนึกฟุ้งแต่งต่างๆสิลปะทุกอย่างนั้นเมื่อนนร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือแล้วห้าไมได้ถึงเดือนร้อนวุ่นวายก็ห้าไม่ได้ก็เป็นนิสัยของมันอยู่แล้ว ฉันถ้าหาแล้วอยู่เฉยๆไม่เคยผู้เคยได้่องความสุขคือความสงบนั่นเป็นยอดเยี่ยมของคุปในในในเกิดเป็นมนุษย์ความสุขอันยอดเยี่ยมของเป็นมนุษย์คือนั่นแหละความสุ ข, ขนั้นแล้วปฏิบัติพุทัดชินทรรมเาเพื่อความสุขขันนั้นแหละ การก็เพื่อความสุขกายเพื่อความสุขใจยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาก็เพื่อความสุขใจนังไงขอช้านี่นนนว่าใจอันเดียวนี่แหละต้องการเห็นใจเท่านั้นนะี่ยฝึกหัดจิตต้องการให้เข้าถึงใจถึงต้องฝึกหัดจิตยุตเสมอ ใจนั้นไม่ต้องฝึกหัดแค่หัดจิตแ้วมันเข้าถึงใจเองตอนฝึกหัดจิตได้แล้วมันเข้าไปเป็ น, ปนไปหายใจโดยที่มารู้ตัวมีความป่าเถนานต้องการฝึกหัดมีได้ายะาดาที่บายไวย้แบบนี้ แล้วพากันทําความสงบตั้งใจให้ตั้งใจไว้ภายในใจอย่าตั้งใจไว้นอกใจคําว่าตั้งใจในที่นี้คือตั้งใจไว้ในใจนั่นเองไม่ให้ส่งออกไปสายนอก พุทธศาสนานี่สอนถึงใจคนทําบุญในพุทธศาสนาทําบุญน้ำทานทองการกุศลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงรักษาศีลทาํทาสมาธิภาวนาเข้าถึงใจด้วยกันหมดเข้าถึงความสงบด้วยกันทั้งนั้นเข้าถึงยอดเยี่ยมคือความสงบความสนงบงบนี่ไม่หมดไม่สิ้น ันเยอะมากมาไม้ทัศน์อะไรคนตั้งหมื่นนัง้งแสนทําำกองสงบก็ได้เปคนละคนได้คนละอันละอันได้ความสงบอันเดียวน่ะ น, นะไมมีใครแบ่งปันนั่นหรอกไ้ความสงบแล้วก็ไปได้ความสงบแล้วก็ไปต่างคนต่างไปบุญในพุทธศาสนาเรื่องของกุ้งสามารถที่จะได้ คนการที่จะได้บุญ น, นั้นต้องอาศัยศรัทธาควเชื่อถ้าเชื่อมากก็ได้มากเชื่อน้อยก็ได้น้อยทําสมาธิภาวนาเชื่อมากก็ได้ความสงบเย็นเร็วถ้าเชื่อน้อยก็ไหมืก็ได้ความสงบเย็นน้อยถ้าไม่เชื่อซะเลย อย่างว่าภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ย่องนาปารสติเงี่ยนึกให้ใจนึกว่าอานาปารสติลมหายใจเขาออก ก, ททก็นึกหรือพุทโธเขานึกแต่มันอีกส่วนหนึ่งมันไปทั่วทุกแห่งทุวนไปทุกทิศ ท, ทุกแดนมันไม่อยู่กับพุทโธจะแล้วคือความไม่เชื่อมั่นในพระพุทธธรทรมตรงคนี้ ถ้าเราเชื่อมันแน่วแน่ของเต็มที่พระพุทธพทธองค์พูดใ้เจ้าอันนี้เป็นยอดเป็นส่วนรวมของคุนง า, ามกองดีทำดีทำมะ ท, ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไปที่เดียวนี่หมดทำบุญทำทานทำการกุศลทุกสิ่งทุกอ่อะการ มารวมยู่ที่พุทธโธอันเดียวคือว่ารวมที่ใจแห่งเดียวมารวม ท, ที่ที่นี่แห่งเดียวเชื่อมั่นในที่นี่แล้วก็มองดูใจอย่านั้นได้ถึงแม้ว่าพุทธโธอยู่นั่นก็ดีนึกว่าพุทธโธพุทธโธหนึ่งกันึกว่าอนาปานติหนั่นก็ดีอันนั้นก็เป็นสัตว์แต่ว่าเครื่องรอที่เฉยเครื่องอ่อยเฉย ให้จิตมารวมเท่านั้นคราวนี้มารวมแลว จ, จับอดิจิตนั้นเลยนม่ต้องไปเอาคาพุโทโธสงบดิ้งเฉยเลยนั่นนหะที่รวมที่รวมของวุญกุศลถ้าหากเราเชื่อมั่นอย่างนี้แน่นนี้จิตก็รวมเร็ว หาจิตไม่ลงแนวเนี่เต็มที่หรือหากว่าไม่เชื่อเลยทรงส่ายแต่ทุกสิ่งทุกทุกประการทุกทิศทุกทางมันก็นานหน่อยใชงว่าคำว่าพุโทโธคำนั้นนะ่ะคือเป็นที่รวมของใจเมื่อใจมารวมแล้ว บางทีมันวางโดยมารู้ตัวหายไปโดยมารู้ตัวแต่อย่าไปกาหนดแต่อย่าไปคิดอีกบางทีไม่หายมันรู้ตัวยังไม่หายแต่มันพุทโธมารวมไปแล้วก็ปล่อยวางเสียเอาแต่ตัวผู้รู้เนะ่ะเหมือนกับเราตาล้วมองสิ่งต่างๆเห็นรูปภายนอกน่ะ อันลูกนะั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตัวของเราเห็นลูกนั้นเป็นวัตถุที่เราเห็นตัวเราคือใจที่ไปเห็นของนั้นเห็นนั้นนั้นไอไอลูกอันั้ น, น, น, นที่เราเห็นนั้นเราปล่อยวางแค่เอาพุโทโนที่ไอเอาพุโทโธเอากุโรนั่นจับกุโรก่อน จามพุทโธไว้เห็นตัวครูนั้นมนนิ่งแนวอยู่คงที่มันจะมีอะไรล่ะสามีครูมันมีอะไรล่ะไม่มีอะไรหมดเลยพุทธศาสนาสอนอย่างนี้สอนให้หมดไปหมดไปความคิดความนึกก็หมดไปสัญญาลงวงุ่นวิวร้ายสงสัปความมดก็หมดไปถ้ามันยังเหลือแต่อันเดียว คือใจผู้รู้พอเมื่อมีแต่ความรู้นั้นมันจะมีความประโยชน์อะไรอย่างนี้นมีมหาศาลจะนั้นประโยชน์มหาศาลเบื้องต้นเราชําระมาทุกสิ่งทุกประการนั้นเรียกว่าเกิดจากผู้รู้นั่นแหละถ้าผู้รู้นั้นไม่มีตัวไม่ยืนตัวแล้วทิ้งนั้นองสาระไปไหน ถ้าเมื่อจับพรู้ได้แล้วรักษาพู้รู้หนไว้มันหากจะออกไปหาอยอีกรอาความรู้หล้ก